ปีชายาของผู้ไม่รู้หนังสือหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จักตอนที่สองวันหนึ่งผมนั่งรับประทานอาหารหลวงพ่อก็ชวนคุยตอนนั้นผมศรัทธากลวิธีของท่านเต็มที่แล้วผมจึงไม่หันเหวิธีไปทางอื่น แต่ผมก็ยังไม่รู้จักท่านดีเรื่องเกิดที่สิงคโปร์ท่านถามผมว่าปีนี้อายุเท่าไรแล้วผมตอบว่า40ครับหุงพ่อท่านก็ถามต่อว่าเมื่ อ, อยังเล็กแม่สอนอะไรบ้างจำได้ไหมผมบอกว่าจำไม่ได้ครับเรื่องผ่านมาหลายปีแล้วทันใดนั้น หลวงพ่อลุกขึ้นยืนทิ้งช้อนซ่อมเสียงดังพระัเกะ้าอี้ที่นั่งไปผมจำเหตุการณ์ น, นั้นได้ดีผมตัวแข็งกิริยาท่านเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันหันมามองหน้าผมและพูดขึ้นว่าเรื่องที่เกิดกับตัวเองเมื่อ40สิปีหยกๆยกยังไม่รู้แล้วเรื่องกว่า2500ปีก่อนไม่รู้เอามาพูดอยู่ทำไมจากนั้น ท่านก็หันหน้าเดินจากไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับเดินจงกลมทั้งคืนแล้วก็งงว่าจะเชื่ออะไรดีพอรุ่งเช้าหลวงพ่อเดินไปหาพูดกับผมเบาๆว่าเข้าใจแล้วสิรู้พระใจปดกก็ดีเหมือนกันท่านพูดเท่านี้แหละ สิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยผมทราบดีว่าบทบาทเช่นนี้ของหลวงพ่อมีต่อหลายท่านด้วยหลายท่านทราบซึ้งหลวงพ่อมากมายกว่าผมผมได้รู้จักอีกมิติหนึ่งของบุคคลภายใต้รูปร่างหน้าตาของคนเมืองเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงความเป็นสากลของหลวงพ่อว่า สิ่งที่ท่านแสดงออกนั้นตรงตรงสดสดผมเคยสังเกตเห็นหลายครั้งว่าหลวงพ่อไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นนอกจากบางสิ่งซึ่งเหมือนกระจกบริสุทธิ์พร้อมเสมอที่จะสะท้อนภาพใบหน้าที่ชะโงกเข้าไปใกล้ดังนั้นผมยิ่งทดสอบหลวงพ่อเท่าไรความเข้าใจของผมต่อตัวเอง ก็ยิ่งชัดขึ้นเท่านั้นคราวหนึ่งหลวงพ่อให้ผมเทศนาแทนท่านโดยท่านนั่งอยู่ข้างๆผมเทศนาจบก็กังวลว่าเมื่อสักครู่ถูกหรือไม่ถูกนะคิดอยู่ในใจหลวงพ่อซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกลับกล่าวลอยๆขึ้นว่าพูดแล้วก็ทิ้งเสียผมคิดว่า มีสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากคือความหมายที่ลุ่มลึกของกัลยาณมิตรด้วยความซาบซึ้งในความเข้าใจของพระอานุนทําให้ท่านกล่าวเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่า ก, กล่าวเช่นนั้นเลยอานุนกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ผู้ได้กลรยานามิตรนั้นเปรียบเสมือนรุ่งเช้าแห่งพระนิพพานเหมือนรุ่งอรุณซึ่งพระอาทิตย์ไขแสงต่อจากนั้นจะห้ามไม่ให้สู่เที่ยงวันย่อมเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ผมกล่าวมานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อผมโชคดีที่ได้พบกับท่านได้กายาณมิตร จากอดีตที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้รู้กับเขาสักคนหนึ่งทําทุกทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้แต่เมื่อพบท่านแล้วและทาให้ทิศทางชีวิตของผมเปลี่ยนไปมุนไปสู่อีกด้านหนึ่งหลวงพ่อนั้นเป็นคนไม่รู้หนังสือแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกนี้กลมมีคนกำเนาอธิบายให้สมมามเณรรูปหนึ่งรู้ว่าโลกนี้กลมอย่างไร หลวงพ่อก็เดินมาแล้วพูดว่าหลวงพ่อไม่เห็นว่ามันกลมมันแบนนี้หลวงพ่อเดินไปไหนมาไหนไม่เห็นมันกลมเลยผมต้องนั่งอธิบายโดยเขียนภาพให้ท่านดูว่าเดินจากจุดนี้ไปรอบโลกนี่เรากลับมาสู่ที่เดิมได้หลวงพ่อแสดงความแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่พอจบหัวข้อนั้น ท่านก็พูดเบาๆพอเข้าหูผมว่าจะ ก, กลมหรือแบนก็ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวผมเรียนรู้จากท่านด้วยวิธีการเหล่านั้นคล้ายๆลูกฟุตบอลที่ส่งผ่านไปหน้าประตูเดยนักฟุตบอลผู้ว่องไวก็ยิงทันทีในช่วงแรกๆ ผมไม่รู้จักหลวงพ่อเช่นนี้เลยผมรู้จักหลวงพ่อแค่เป็นหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งที่สงบเสงี่ย์น่ารักดีแต่เมื่อใกล้ชิดมากขึ้นก็เห็นท่านเป็นอีกอย่างหนึง่งผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อมักได้ยินคําพูดว่าให้ดูความคิดอย่าเข้าไปในความคิดอย่าหยุดความคิด นั่นเป็นแกนกลางของการแสดงธรรมและกรรมวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเคล็ดการสอนของท่านได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆหลวงพ่อทดลองให้ผมเฝ้าดูความคิดดังที่ผมเรียนแล้วแต่กลับทำให้ผมสับสนมากยิ่งขึ้นในที่สุดท่านก็เข้ามาพูดด้วยถ้อยคำซึ่งผมถือว่าเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดของคาสอน รู้สึกตัวเฉยๆล้วนๆท่วนๆจากจุดนี้มันจะคลี่คลายปัญหาทั้งหมดจำได้ว่าในพรรษานั่นเองผมเริ่มแก้สถานการณ์ที่ยุ่งยากในตัวเองได้ความหมายของคำว่าความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวสดๆที่ปรากฏอยู่นี้คือเมื่อเราเคลื่อนมือแล้ว รู้สึกวูบวาบขึ้นมาซึ่งเป็นอยู่เองแล้วแต่ถ้าเราไปกำหนดเพ่งมันเข้าก็จะมีปัญหาติดตามมาเพราะว่าการกำหนดเป็นการใช้เจตนาใช้ความอยากเข้ากำหนดกว่ามผมจะทำความเข้าใจความหมายที่เป็นกลางกลางอันเป็นความคลี่คลายได้ผมต้องลมลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้ง ผมจะเล่าเรื่องการชุดฟุตบอลของหลวงพ่อวันหนึ่งผมนั่งนวดท่านอยู่ท่านนอนหลับตาผมก็นวดเรื่อยๆในใจนึกระหิ่มภูมิใจที่ได้รับใช้ท่านเมื่อเห็นว่าท่านหลับจิตใจที่ปลืม้มก็ปรงลงสู่สภาพปกติธรรมดาธรรมดาท่านใดนั้น หลวงพ่อลืมตาขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าให้ทำใจอย่างนี้ผมเข้าใจว่าท่านหลับที่จริงท่านไม่ได้หลับจุดนี้ผมถือว่าเป็นการชูดลูกฟุตบอลผู้ที่จะเล่นเกมนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทาันวาระจิตไม่เช่นนั้นความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้น เมื่อท่านลืมตาชี้นิ้วมาพร้อมกับบอกตัวย่อว่าให้ทำในใจอย่างนี้ผมเห็นความปกติวับเดียวนั้นเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นโดยตรงโดยไม่เกี่ยวกับคำบอกเล่าหรือความคิดใดๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความหมายของตัวหนังสือแต่คืออาการทางจิตใจ ว่าเป็นปกติหรือไม่ประการใดอยู่มาวันหนึ่งผมนั่งอยู่กับพื้นหลวงพ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้ผมเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่ทันเฉลียวใจว่าท่านฟังหรือเปล่าพอถึงช่วงหนึ่งผมก็เห็นสิ่งที่น่ากลัวผมรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเอาชีวิตของผมคือ ท่านมองผมด้วยสายตาดุดุผมรู้สึกว่าท่านมองผมอยู่นานแล้วผมไม่เฉลียวใจมัวแต่พูดหรือคิดอะไรไปเรื่อยๆตามประษาคนฟุ้งซ่านพอเงยหน้าขึ้นผมเห็นสายตาที่น่ากลัวนั้นเรากับจะกินเลือดกินเนื้อผมให้ได้แล้ววันนั้นเองผมรู้สึกเหมือน หลวงพ่อนั่งอยู่ในหัวใจผมแทรกเข้าไปในหัวใจของผมซึ่งอันนี้เป็นการยากที่จะอธิบายถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ในขณะนั้นผมมีประสบการณ์โดยตรงและต่อเนื่องผมรู้สึกเหมือนรู้อะไรบางสิ่งแต่ก็ไม่รู้อะไรเลย18ปปีมาแล้วที่ผมค่อยพัฒนาจิตสำนึกใหม่ขึ้น จากจิตสำนึกของผู้หวังจะเป็นผู้รู้ค่อยๆเป็นคนที่ไม่รู้อะไรทีละน้อยด้วยความอุปการะของหลวงพ่อทุกครั้งที่ผมไปหาท่านผมจำได้อยู่เรื่องเดียวคือรู้โดยไม่รู้อะไรอันเป็นสภาพหมดจดท่านมองหน้าคล้ายท่านผลักเราที่มองท่านให้เรากลับเข้ามารู้ที่ตัวเราเอง บ่อยครั้งท่านเอาฝ่ามือของท่านท้าบนหน้าผาของผมแทนคําตอบพร้อมกับคําว่ารู้หลวงพ่อไม่ใช่สัญลักษณ์ของนักคิดหรือนักปราชญาแต่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ต้องถามไม่ปล่อยให้ความคิดหรือคําถามเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่เห็นเพียงรู้และไม่ต้องรู้อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ก้าวเล้าต่อความอยากรู้มากๆ ดังนั้นเองในช่วงตน้นเมื่อหลวงพ่อแนะนาให้ผมยกมือผมกระอักกระอ่วนท่านแนะนำว่าทำอย่างนี้ลองดูเดี๋ยวจะดีเองเป็นเวลาหกปีเศษที่ผมไม่ยอมทําตามเลยผมคิดว่าเราจะคิดให้แตกหักสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหลวงพ่อในขั้นต้นคือท่านให้ยกมือสร้างจังหวะ ซึ่งเป็นการสกัดกั้นไม่ให้จิต ท, ทำงานแสบสายดังนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกระแสความคิดหรือเป็นนักคิดมากๆจึงไม่ชอบใจผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแต่ถ้าเทศนาอถาธิบายแล้วชอบแต่ฟังหลวงพ่อบ่อยเข้าผมก็จำเข้าไว้ในจิตโดยไม่รู้ตัว วันหนึ่งผมเข้าห้องน้ำครั้นนั่งนานผมก็เลยลองพลิกมือแล้วยกขึ้นมาดูยกไปยกมารู้สึ ก, กจิตใจเปลี่ยนแปลงให้รู้ให้เห็นต่อหน้าทั้งๆที่ไม่ได้หลับตาหรือกำหนดอะไรเลยจากจุดนี้เองผมเริ่มเรียนรู้เริ่มศรัทธาเริ่มปฏิบัติ แต่ผมก็ปฏิบัติผิดอีกเป็นเวลานานเรื่องนิดเดียวที่หลวงพ่อท้าทายว่าสามเดือนเท่านั้นคุณจะเข้าถึงแต่ของผมลอดเสยหกปีเพราะมีความคิดมากมายความสงสัยไม่รู้จบและทั้งหมดคือไม่รู้สึกตัวหลงพ่อได้เตือนผมหลายครั้งแล้วว่าจุดที่แก้ไขได้ยากที่สุดในการเจริญภาวนา ให้ไปสุดสายก็คือการเพ่งเพราะการเพ่งคือการสะกดจิตตัวเองมันจะไปสงบสงบแล้วจะติดตัวนี้อยู่ไม่สามารถหันกลับไปได้เพราะเมื่อติดตัวสงบก็เกิดผู้ติดผู้ยึดและผู้ยึดก็พยายามยึดความสงบเป็นที่พึ่งความสงบที่ทําขึ้นนั้นไปสูงสุดก็แค่สงบท้ายสุดก็อ่อนล้า เกินนั้นไม่มีความสงบชนิดนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเมื่อหมดแรงยึดถือก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่แนบแน่นอยู่กับความจริงได้ทั้งนี้เพราะไปเพ่งปักจิตติดอยู่กับอารมณ์แทนที่จะอยู่เหนืออารมณ์การกำหนดรู้เช่นนี้คือการยึดติดอยู่ไกลๆจุดนี้ ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในวิถีทางที่หลวงพ่อสอนสารุสิทธิ์ของท่านสำหรับหลวงพ่อนั้นไม่มีการกำหนดเป็นกรณีเพียงรู้แล้วผ่านเลยวันหนึ่งท่านเห็นว่าผมยังไม่เข้าใจท่านก็ยกมือซ้ายขวาของท่านทับซ้อนกัน และเคลื่อนไหวมือทั้งคู่ให้ผมดูท่านถามว่าเห็นไหมผมบอกว่าถ้าเห็นมือหน้ามือหลังก็เลือนถ้าเห็นมือหลังมือหน้าก็ไม่เห็นแล้วท่านถามว่าทําอย่างไรถึงจะเห็นหมดผมบอกว่าต้องมองผ่านหมดหลวงพ่อก็บอกว่านั่นถูกแล้ว เมื่อเราดูป่าไม้เราจะไม่เห็นต้นไม้แต่ถ้าเราเห็นต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งเราจะไม่เห็นป่าไม้เลยดังนั้นหากมีต้นไม้ต้นหนึ่งถูกโคน้นเราจะดูไม่ทันในการเจริญภาวนาก็เช่นกันเราไม่ต้องการจะหยุดจ้องดูอะไรอยู่เราต้องมองแทงทะรู้ตลอดการกําหนดรู้ เพ่งจ้องนั้นคือการติดอยู่ในช่วงต้นที่หลวงพ่อสอนนั้นท่านย้ำเน้นอยู่สามพยังค์คืออึดใจเดียวถ้าไม่อึดใจเดียวแทงทะลุหมดจะไม่มีวันไปได้เลยเพราะเป็นโอกาสในการสร้างรูปของความคิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดมันจะพูดว่าความสงบดีจริง หรือแม้แต่จะดูความคิดมันก็คิดว่ามันกำลังดูความคิดเป็นความคิดถึงความคิดตลอดเวลาด้วยวิธีการชานฉลาดที่หลวงพ่อเสนอขึ้นมานี้ได้แก้ปัญหาพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากแต่ลำพังการพูดภาษานั้นรู้ผลน้อยมาก พราะบทบาทที่แท้จริงของหลวงพ่อคือลงเล่นด้วยถ้าใช้โวหันก็คือลงเล่นลูกด้วยวิธีการนี้ท่านได้กลายเป็นพี่เลี้ยงของผู้ปฏิบัติผู้ที่ถูกหลวงพ่อจับขังห้องก็ดีถูกบีบมือก็ดีหรือถูกท้าทายด้วยวิธีการใดๆก็ดีจะค่อยๆรู้อะไรบางสิ่งเฉพาะตัว ไม่ช้าก็เร็วผมจะเล่าเหตุการณ์นในสิงคโปร์คราวที่หลวงพ่อได้เดินทางไปที่นั่นผมได้เห็นอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นสากลอย่างยิ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยที่ประธานชมรมพุทธของวิทยาลัยโพลีเทคนิคคือคุณหยกเหรียญไปเยี่ยมพอดีไม่มีคนเฝ้าไข้เลย ล่ามไม่มีแต่คุณหยกเหรียญพูดกับหลวงพ่อได้ด้วยภาษามือภาษาตาของหลวงพ่อแล้วต่อมาภายหลังคุณหยกเหรียญเล่าให้ผมฟังว่าเหมือนกับมีคำพูดผ่านเข้ามาทางหัวใจว่ามาทาไมคุณหยกเหรียญพูดภาษาอังกฤษซึ่งหลวงพ่อฟังไม่รู้เรื่องด้วยว่ามาเรียนธรรมะ หลวงพ่อก็ลุกขึ้นพลิกมือให้ดูคุณยกเหรียญพลิกตามหลวงพ่อบอกคุณยกเหรียญว่าเรียนธรรมะต้องเรียนรู้ที่นี่เป็นเรื่องที่สัมผัสได้โดยตรงผู้ที่เจริญภาวนาในแนวทางของหลวงพ่อแล้วนั้นเชื่อว่าจะเข้าใจได้ดีถึงการจับ ซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นประตูที่สำคัญหลวงพ่อมักใช้คำว่าวัตถุปรมัดอาการซึ่งหลายคนก็ท่องกันจนขึ้นปากขึ้นใจสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อพูดจากประสบการณ์ของท่านแต่ความหมายของคำว่าวัตถุนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือวัตถุความคิดก็เป็นวัตถุเป็นปรมัด เป็นอาการเป็นสิ่งสัมผัสได้ด้วยสติสามัญญะโดยทั่วไปเราคิดว่าความคิดเป็นนามเมื่อพูดถึงความรู้สึกตัวความรู้สึกนั้นก็เป็นฝักฝ่นามธรรมคนทั่วไปจึงมีความรู้สึกต่อทุกข์ต่อสุขแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆนี้ไม่เกี่ยวกับสุขทุก เป็นความรู้สึกตัวล้วนนเท่านั้นโดยการเปรียบชีวิตสขั้นตอนอาจทำให้เรากระจ่างขึ้นสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งตายลงหยกๆยกต่อหน้าต่อตาเซลล์ในร่างกายยังไม่ตายแต่ตัวเขาตายแล้วและมีใครคนหนึ่งมีเวทมนต์ชุบชีวิตของเขาขึ้นมาคำถามก็คืออะไรเกิดขึ้นก่อน เมื่อเราเป็นผู้เฝ้าดูเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวปรากฏก่อนเช่นทรงอกกระเพื่อมขึ้นลงเป็นต้นแต่ถ้าเราเองเป็นชีวิตที่ฟื้นขึ้นนั้นสิ่งแรกที่เราเป็นก็คือสภาพรู้ตัวสภาพเป็นๆ น, นั่นเองต่อแต่นั้นเราก็ถามถึงบ้านช่อง เริ่มเคลื่อนเข้าสู่มิติแห่งความหมายต่างๆความรู้สึกสัมผัสล้วนๆคือความรู้สึกตัวที่อยู่นอกเหนือความคิดความจำเป็นความแนบแน่นและเต็มตัวซึ่งแจงออกเป็นสามลักษณะคือวัตถุปรมัตกอาการนี้เป็นการบัญญัติเริ่กขึ้นจากความแนบแน่นอันอยู่เหนือสมมุติบัญญัติ ความรู้ตัวสดสดนั้นคือชีวิตถ้าความรู้สึกตัวเหอดหายไปชีวิตก็จบสิ้นลงแต่ความรู้สึกตัวล้วนล้วนท่วนท่วนนี้เองที่หลวงพ่อระบุถึงดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวจึงให้รู้รู้เฉยเฉยรู้ล้วนล้วนท่วนท้วนอย่ารู้เกินรู้รู้แล้วทิ้งเลยรู้ โดยไม่ต้องรู้อะไรโดยจำเพาะ